มูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะพวกเราเป็นผู้ก่อตั้งจะต้องมีการประชุมปีหนึ่งจะต้องมีการประชุมครั้งหนึ่งก็า จ, จำเป็นและสำคัญมากถ้าว่าเราขาดไปแทการประชุมก็ล้มเหลวเลยเห้นกะแต่ล้มเหลวมันไม่ใช่ธรรมดาทีมันเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองด้วยกฎหมายบ้านเมืองถ้ามูลนิธิไม่ได้ส่งข้อมูลให้แก ทางกฎหมายเขาแสแดงว่ า, ามูลนิธิไม่ได้ไม่มีผลแห่งการทำงาน เ, าเพ้อเพ้อจะยุบมูลนิธิได้ไง่ายๆเพ้อเพ้จะหามาพวกเร า, เาไม่ได้ดาเนินกิจการผิดกฎหมายเขาอีกเพราะนั้นเมื่อเข้าไปแล้วมันเหมือนกับมัดแขนเราจูงเข้าไปใน <c oughs> ในที่ที่ว่าถอยหลังไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นหละ เ, เพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างเมื่อได้นัดท้งน้งแล้ว มันก็ต้องได้ไปทางนู้นถึงเนี่ยนะมูลนิธิหออบิบาลสงของกูมันค่าใช้จ่ายยังไงแต่ละปีแต่ละเดือนเราจะหาทุนที่ไหนมาที่จะดูแลพระสงฆ์ที่มาเจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งนี้หอมูลนิธิจะช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะต้องไปหาหรือกันในคณะกรรมการคณะกรรมการทั้งหมดก็มีอยู่10กว่าท่านเหมือนกันทั้งพระทั้งโยมนะ นี่แหะอันนี้คือคือยกตัวอย่างให้แก่พวกเราทั้งทั้งหลายได้ได้ยินได้ฟังนะว่าผลนั้นหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเมาไปข้างหน้ารู้สึกมันจะหนักพอยๆสมควรจนกว่าที่หลวงพ่อไปไม่ได้หลวงพ่อจะต้องปฏิเสธทุกออย่างจช่ไเออพอแล้วนะหลวงพ่อแก่แล้วนะลูกหลานเอ้ยถ้าลูกหลานจะมาหาหลวงพ่อกมานะแต่จะให้หลวงพ่อไปหานั้นหลวงพ่อไปหาไม่ได้แล้ว อายุมากขนาดนี้แนละ้กว่าจะนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องไปก็ไม่สะดวกท้งนั้นละให้ลูกหลานมาหาลงปู่ลงตา น, ะานี่ยนบะัติเน่าคราวหนึ่งมันก็จะต้องมีลักษณะอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็ขอให้ลูกหลานถึงจะห่างไกลก็ให้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมเอาธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองอพวกเร า, เาธรรมะคือห ล, ล, ล, ลักหลักเหตุผลอ หลักเหตุผลก็คือปกครองลูกน้องบริวารให้อยู่ในกรอบออหลวงพ่อเคยแนะนําเคยบอกกล่าวว่าให้ปฏิบัติต่อทิศทั้งหให้ถูกต้องทิศทั้งหกในหลักของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกกับสิงค์ารมานพนะท่านบอกว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดา เ, เราทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ถ้าว่าพ่อแม่ยังอยู่ เราปฏิบัติตนอย่างไรกับพ่อแม่อย่าไปเอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ได้เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านระวังทากิจธุระของท่านถ้าว่าพ่อแม่มีกิจการอะไรเราก็อย่านิ่งดูได้ต้องเข้ามาช่วยกิจการของท่านทํากิจธุระของท่านดํารงวงศุลคือพ่อแม่หาทรัพย์สมบัติมาไว้ให้เพื่อใคร ท่านคนนี่แหละลูกของเราลูกของลูกของท่านนะคือทายาทผู้ที่จะสืบมรดกของท่านแต่ถ้าว่าลูกไม่สืบมรดกของท่านท่านจะไปหาไว้ทําไมแต่ลําพังชีวิตของท่านท่านกินก็ไม่หมดอยู่แล้วพวกกินไปแล้วก็ตายไปแล้วก็จบไปที่หามาไว้มากๆเนะี่ยเพราะทายาทเนี่ยนี่แหละตัวทำกิจธุระของท่านตารงวงศุลตารงวงสกุลเน่ยคือสืบทอด อากมรดกพ่อแม่แล้วเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านจะได้ระบุดที่ดีต้องคิดเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญในวันนี้พระสงฆ์มากิจการอย่างนี้มาทําบุญที่บ้านานี่นี่ก็ลำลึกถึงโอ้คุณพ่อดวงวิญญาณของคุณพ่อสิงสถิตอยู่ณถิ่นใดถ้าว่ามีสุขแล้วขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปทางว่ายังตกทุกข์ระยากอยู่ด้วยประการใดก็ตาม ก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกครอบครัวของกระผมได้ทำบุญอุทิศในวันนี้ด้วยเทินอันนี้คือคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของลูกลูกที่ดีต้องเป็นอย่างนั้น เ, เลี้ยงท่านตอบทากิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน ประพฤติตนยังไงจึงจะสมควรควรรับทรัพย์มรดกถ้าเราไปกินเหล้าเมายาอาวาัยวาะมุกทุกอย่างพ่อแม่ก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันถ้ามอบมรดกให้เดี๋ยวก็จะเอามรดกนี้ไปขายอาไปละ เ, เลงเละลายไปหมดนี่แหละพ่อแม่ก็ไม่สบายใจเพราะฉนั้นเราต้องทําตนให้ดีให้เป็นควสมควรควรรับทรัพย์มรดกสรุปแล้วรซื้อให้เป็นคนดี การศึกษาดีมารยาทดีการใช้ใจ่ายดีคล้ายว่าต้องระมัดระวังให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แล้วก็เมื่อท่านลวงรับไปก็อย่างที่ว่านี่แหละอันนี้คือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตรที่ดาควรจะปฏิบัติตนอย่างไรทิศเบื้องหลังสามีภรรยาลูกถ้าคำว่าพวกเราที่เป็นสามีก็ตามเอาแต่ใจตัวเอง ไม่เห็นอกเห็นใจภรรยาภรรยาก็น้อยอกน้อยใจทําให้กิจการงานไปได้ยากแต่ถ้าว่าภรรยาเอาแต่ใจตัวเองเ อ, อในครอบครัวเ อ, อแล้วมีแต่เรื่องราวเกิดขึ้นจะกิจการงานก็จะไปได้ยากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้รู้จักการวางตัวสามีภรรยาลูกควรจะวางตัวอย่างไรให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันมีอะไรปรึกษาปรารถกัน กิจาการงานก็จะไปได้โรดได้รุ่งอันนี้ประวัติทิตเบื้องหลังสามีภรรยาบุตรทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์คนเราต้องมีครูบาอาจารย์เอา แ, แต่เราเรียนหนังสือประถมมัธยมกอไก่ข้อไขข้อขวดรวมแล้วจะเป็นอาจารย์ทั้งนั้นต่อมาเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะต้องได้รับการแนะนำสั่งสอนออจากครูบาอาจารย์ทำมาค้าขายอย่างนี้นะ กิจการอย่างนี้นะอย่างโรงแรมหนูนเหมือนกันที่ดําเนินกิจการนี้จะต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนกันแนะนําเ อ, อว่าเอาอย่างไงท่านก็ต้องจะสอนอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์มีหลายระดับครูบาอาจารย์อมัธยปถมมัธยมตลอดถึงการแนะนําให้วิทยาทานแก่เราให้แนวทางแก่เราแนะนําสัง่งสอนเย็บผ้าจาดนี้นะ อ, อตัดเสื้อผ้านี้ตัดผมนี้รถแล้วแตเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหมด คือเราได้เรียนรู้จากใครถือว่านั่นคือครูบาอาจารย์ของเราในระดับหนึ่งอันนี้เราครูบาอาจารย์พวกเราต้องได้เรียนรู้ทั้งว่าพวกเราอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเวลาครูบาอาจารย์เข้ามาหา เ, เราก็ต้อนรับขับสู้ดีอันนี้แปลว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่ดีครูบาอาจารย์ก็จะประสิทธิ์ประสัดวิชาความรู้ที่อยู่ในอาจารย์ให้แกเราเต็มที่ เพราะเหตุอะไรเพราะท่านไม่ได้หวงวิชาไว้เพราะเรา เ, เป็นคนดีท่านว่าเห็นครูบายอาจารย์เข้ามายืนรับอใครเขา้าวัลุกลับลุกลับอุบาโอ้ท่านอาจารย์มาแล้วอขอเชิญนั่งเมื่อท่านนั่งแล้วเราก็เข้าไปบริการค่อยๆรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากอุปถากคล้ายๆว่าขัาข้นขาดเหลืออะไร จากนั้นก็ด้วยการเรียนจินปวิทยาที่ยังขาดเหลือขาดตกจากครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนําอีกนี่แหละถ้าเราทําตนดีเข้าไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เมตตาอันนี้เราอาจารย์คือเบื้องขวาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราที่จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองไปได้ต้องมีมิตรมีพักมีพวกมีสหายต้องเป็นผู้แนะนำํำกิจการของเราอย่างนี้ เพื่อนว่าอย่างไงเจะกู้ยืมเงินมาจากที่ไหนธนาคารไหนที่ดอกผลน้อยถ้ามีหมูมีเพื่อนหูแจ้งตาสว่างจะไปคบค้าสมาคมหมูก็ให้ความเ อ, อื้อเฟื้อเอื้ออารีเราก็เป็นที่พึ่งของหมูหมูก็เป็นที่พึ่งของเราเรากับหมูหมูกับเราเนี่ยเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมิดสหายกัญญาณมิอแต่จะไปคบมิดชั่วมิชั่วก็มีเนะี่ปาประมิตรมีกัญยาณมิก็มี ไอ้ปลาประมิตรกันหมู่ชวนหมู่พวกเพื่อนไปกินเหล้าเมายาเที่ยวขายาบ่งยาหมาคัญชายยาผิดอันนั้นว่าปาประมิตรไม่ควรครบรับของพุทธศาส น, นากัญยาณมิตรคือมิตรที่ดีงามเป็นผู้เกื้อ ก, กูลหนุนกันอันนั้นแปลว่าทุกคนเกิดมาต้องมีมิตรมีเพื่อนมีฝูงจึงจะเจริญด้วยหน้าที่การงานได้เพราะเป็นที่ปรึกษาปารับแต่ถ้าคนไหนไม่มีหมู่มีเพื่อน ไม่มีหูมีตาเนี่ยจะเจริญยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าทิศเบื้องซ้ายมิดทิศเบื้องต่ำเบ่าคือคนรับใช้คนงานของเราเราปฏิบัติตนอย่างไรกับคนรับใช้คนงานเราก็ต้องมีเมตตาต่อเขาเขาลําบากอย่างไงเมื่อเขาขับขันพ่อแม่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราควรจะยืดหยุ่นให้เขายังไงให้เขายืมยังไงให้ทดแทนยังไงหรือจะให้เขายังไงสงเคราะห์เขาอย่างไง อันนี้คือทิศเบื้องต่าําบ่าถ้าคำว่าพวกเราปฏิบัติต่อบ่าวดีคนรับใช้ดีเขาก็เต็มบกเต็มใจในทะหน้าที่การงานแต่คนรับใช้บางคนก็อย่างว่าเห็นแก่ตัวก็มีเราก็ต้องดูอีกเหมือนกันถ้าเห็นเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ตอบผมเท่าไหร่ไม่พออันนั้นเราก็ควรควรจะพิจารณาแต่ผู้นิสัยดีเขาเห็นพระคุณ เ, เมื่อเราส่งเสริมเขาเขาก็ช่วยเหลือเราเอกิจการข อ, ของเราก็ไปได้ดีอ ตลอดถึงคนขอโทคนสวนคนอะไรทุกอย่างอันนี้แปว่าทิศเบื้องต่ําบ่าวทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์ก็คืออย่างที่หลวงพ่อหลวงตาที่มานั่งมาฉันในวันนี้อันนี้คือทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์สมณพรามเขามาเออลูกหลานเอ้ยอย่าทำเนอ้อสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งนั้นนะสิ่งนี้น ะ, ะควรพวกเราควรจะกระทําสิ่งนั้นควรจะประพฤติปฏิบัติอันนี้ว่าสมณพราหมณ์ทิศเบื้องบน ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติถูกทั้งหทิศนะทิศทั้งหนะ่ชีวิตของพวกเราจะราบรื่นชีวิตครอบครัวก็จะราบรื่น ช, ชีวิตราชการทุกอย่างจะราบรื่นเพราะเหตุไรเพราะเราปฏิบัติถูกถ้าเราปฏิบัติผิดต่อทิศทั้งหกแล้วกับพ่อกับแม่ก็เข้าหน้ากันไม่ติดเ <ๆ S 1> พ้อเพอพ่ อ, พ อ, พอแม่ไล่ออกจากกองมรดกสามีภรรยากัทะเลาะกันทั้งวี่ทั้งวัน เบื้องขวากูบาจาร์ก็ไม่ให้ความครบกูบาจารย์ทิศเบื้องซ้ายก็ไม่มีหมูมีเพื่อนทิศเบื้องต่ำก็ไม่มีลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์ท่านก็ไม่อยากจะมาใกล้ามาไกลายเพราะพวกเราทะเลาะเบาแวงกันแล้วชีวิตของเราจะพวกเราจะราบพื้นได้อย่างไรเพราะเหตุใดเพราะว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต่อทิศทั้งหกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อได้ บอกได้กล่าวเด่นแนะนำให้พวกเราคิดต่อเติมให้อีกจุดไหนที่มันบากขาดตกบกพร่องแล้วก็พยายามทันตนให้ดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะราบพื่นทุกอย่างไหลมาเทมาทีนี่เพราะเราปฏิบัติถูกจากนั้นพวกเรากอย่าลืมอีกที่ถึงจะไหลมาเทมาขนาดไหนก็เถอะชีวิตของพวกเราก็มีจุดจบ ไม่ใช่ว่าพวกเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินฉลายควรสแสวงหาทั้งทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็คือข้าน้ำโภชนาหารเรื่องเงินเออเนื่อพวกเราหานี่คือหาเงินอันนี้คือทรัพย์ภายนอกคือนํามาเลี้ยงร่างกายของเราเแต่ส่วนทรัพย์ภายในก็อย่างพวกเรามาทําบุญในวันนี้นะเอ อ, เ อ, อพวกเราทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้ท่าน รักษาศีลภาวนาปฏิบัติไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์ทําบุญทําทาน เ, เสียสละบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราจิตใจของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเยือกเย็นเพราะบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าจูดใจจากนั้นเขา่ขอนหลับก่อนนอนกขาไหว้พระสวดมนต์อิติปิโสสวาคาโตสุ ป, ปฏิปโนโนะโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล ทุกวิญญาณขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพรเจ้าต้องการอันนี้คือทิศทิศ ท, ท, ทั้ง6ทิศ ท, ทั้งหคือทิศเบื้องหน้าบิดามารดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาบุตรทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ำํำคนรับใช้คนงานบริวารทิศเบื้องบนสมณะพราม อยากล้มพ่อเนะี่ยคือว่าจัดว่าเป็นสมณะพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแนะนำสั่งสอนลูกหลานอันนั้นผิดนะั้นอันนั้นถูกนะั้นลูกหลานนะอันนั้นบาปอันนี้บุญอันนั้นคุณอันนั้นโทษตายแล้วไม่สูญนะตายเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงอยากลูกหลานอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดให้นั่งภาวนาเนาะทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งอย่างที่ผ พ, พูดใเจ้าท่านพิสูจน์ จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆท่านไปภาวนาพิสูจน์มาแล้วอยู่ในป่างพงไผ่ถึงตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกถ้าองค์ไหนพิสูจน์แล้วองค์นั้นจะเชื่อด้วยตนเองเพราะเหตุไรเพราะทําจิตใจสมาธิจิตใจรวมเป็นหนึ่งแล้วร่างกายเป็นอันหนึ่งส่วนจิตใจคือนามธรรมเป็นอันหนึ่ง ไม่ใช่อันเดียวกันเป็นคนละอย่างกันรู ป, ปรธรรมและนามธรรมะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ความสนใจเรื่องนามธรรมมากกว่ารู ป, ปรธรรมหลักของพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นให้ศึกษาคือนามธรรมใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมโนปูพังเขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ อันนี้คือหลักของพุทธศาสนาถ้าพวกเราพูดว่าใจเป็นใหญ่นะถ้าไม่มีพระบาลีรับรองไม่ยกถึงพระบาลีหน่อยพวกเราไปเออครูบาอาจารย์เนี่ยพูดเอาหรือเปล่าถ้ายกบาลีขึ้นมาเออขลังขึ้นมาเหมือนกันแต่ตามไม่จริงก็นี่แหละหลักของพุทธศาสนาแล้วจะพิสูจน์ยังไงใจกับกายกายกับใจเนี่ยอาศัยกันอยู่แต่ว่าใจต้องเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสั่ง ถ้าใจคิดดีแล้วใจมีเหตุผลแล้วใจมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมดีแล้วการจะกระทำสิ่งไหนออกไปก็มีเหตุมีผลไม่ตามความอยากคนตนเองจะพูดอะไรออกไปก็ต้องมีเหตุมีผลเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเราได้กันกรองดีแล้วพูดอย่างนี้มันจะกระทบคนอื่นเขานะพูดอย่างนี้มันเป็นโทษนะพูดอย่างนี้มันเป็นคุณนะพูดอย่างนี้ ไม่เสียหายพูดอย่างนี้เป็นสงาราศีพูดอย่างนี้เป็นเงินเป็นทองพูดอย่างนี <est> ้เสียทรัพย์สินนะพูดอย่างนี้ทะเลาะวิวาทกันนะพูดอย่างนี้ออกไปเนี่ยทำให้เสียพักเสียพวกเสียหมู่เสียเพื่อนนะก่อนที่จะพูดออกไปเราก็ต้องได้คิดก่อนใจคิดก่อนยังพูดออกไปและก็ทําก็เหมือนกันถ้าทําอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเราไปเสียดไปสีไปดูถูกเหยียดยามเขาการกระทําแสดงอกับกิริยาอย่างนี้ ทำให้เขาเสียหายนะเราคิดซะก่อนก่อนที่เราจะทำะเพราะนั้นท่านจึงว่าใจเป็นใหญ่ใจคือแนวความคิดนั่นแหะแต่ทำยังไงใจแนวความคิดนั้นจะคิดดีเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้จะทำอย่างไรอันนี้ก็ต้องอาศัยสมาธิานในหลักของพุทธศาสนาให้จิตใจเป็นสมาธิให้มีสติสัมปชัญญะในการฝึกใจในเมื่อเรา มีสติสัมปชัญญะเรารู้จิตรู้ใจของเราแล้วใจของเราเป็นหนึ่งแล้วเราควรจะคิดอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงจึงจะเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นจริงจะถูกคิดยังไงเึงจริงจะผิดถ้าพวกเรารู้ผิดรู้ถูกนะนนคนนั้นจะไปสู่สุคติได้เพราะเหตุอะไรเพราะสิ่งที่ผิดเนี่ยเราจะไม่ทำํำสิ่งนี้เมื่อทีมันถูกเราก็จะทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทัานว่า ผู้ที่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วคนนั่นแหละจะไปสู่สุคติได้นี่แหละขอให้ทูกหลานทุกคนเนอเยตหลักของพุทธศาสนาเป็นแนวทางของชีวิตทิศทั้งหนะั้นสำคัญพวกเราอยู่ในทิศทั้ง6นะ่ะถ้าพวกเราปฏิบัติต่อทิศทั้งหหรือปฏิบัติ ต, ตามแนวแถวทิศทั้งหกที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้แล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะ ต่อนนไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร อ, อุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว